ทีนี้ต่อไปนะว่าถ้าคนที่เจริญอสุภาษสัญญามรณาสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วนะตรงไหนมันน่าน่าเพลดิดเพลินบ้างเอามีไหมมีมีส่วนไหนหน่าเพลดิดเพลินบ้างเอานะถ้าถ้าเห็นสามอย่างนี้ดีแล้วนะหนึ่งทุกอย่างปฏิกูลหมดสองทุกคนจะต้องตายหมดเนี่ยนะ 3. ที่ไหนไม่เป็นสุสานมั่งไม่มีสามอาหารปฏิกูลทุกชนิด โลกมันจะน่าเพลิดเพลินตรงไหนบ้างเนี่ยมันก็เลยบอกว่าสัพพะโลเกอนาพิรตตาสัญญาเนี่ยนะไม่มีโลกใดน่าเพลิดเพลินแม้แต่โลกเดียวเห็นไหมก็สัพพะโลเกอนาพิรตตาสัญญาโลกในที่นี้หมายถึงอะไรสังขาระโลกนะสังขาระโลกไม่มีหน้าเพลิดเพลินแม้แต่โลกเดียวนไมไม่มีหน่าเพลิดเพลินไม่มีหน้าพอใจไม่มีหน้ายินดีเลยนะไม่มีน้าติดหน้าค่องอ่ะ ก็หมายความว่าถ้าตั้งคำถามว่าอยากจะเกิดเป็นอะไรอีกนหมอโอ้ไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะตอนตอนศึกษาธรรมะนะตอนคิดถึงธรรมะบอกไม่เอาอีกแล้วพอลืมธรรมะปั๊บก็เออเรื่องนั้นก็ดีที่นั่นก็ยังไม่เที่ยวที่นี่ก็ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะคิดถึงธรรมะอีมันทุกข์นะแล้วก็สลับเรื่องของเราบ้างของพระพุทธเจ้าบ้างสลับรัเล่ากันไปนั่นนะหมอพินตั้งใจว่าจะไปไหมกลับไปอีกไหมอีกรอบไหมที่อเมริกา น่ามีโอกาสจะไปอีกนะยังไม่สับพระโลเ ก, กียนะพิรตตาสัญญาเลยนะยังยังหาลูทางอีกนะเดี๋ยวไปใหม่ไปไปติสนธิอยู่นั่นนะจะลิกร้อยไปแบบนั้นไม่มีพัสปอเลยดนะงั้นถ้าศึกษาดูโดยละเอียดเนี่ยนะถ้าเจริญทั้งสามอย่างก่อนหน้านี้มาดีอ่ะทั้งอสุภาสัญญามรณะสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วเนี่ยนะสัพพะโลเกนะนาพิรตตาสัญญาจริงๆถ้าเราเราคิดเนี่ยนะถ้าเด็กบางคนเนี่ยที่พ่อแม่เลี้ยงแล้วเผลอไปแล้วมันกินอุจจาระทั้งมันเองอ่ะนะถามว่าเราอยากจะเกิดแบบนั้นอีกไหมมาทานอุจจาระตัวเองอีกแล้วเนี่ยนะถ้าแบบแบบถ้ายิ่งเป็นเด็กในชนบทนี่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะยังก็ยังมีการเล่นอุจจาระอยู่พัะบางทีแม่ทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงไนวะ้เออเสร็จแล้วก็เล่นอยู่นั่นแหละนั่นก็ถามไหมจะเกิดแบบนั้นอีกหรือเปล่านะั่น อันโลกทั้งปวงก็ไม่น่ายินดีทีนี้ในสิ่งทั้งสี่ปาการเนี่ยนะอสุภะก็คือบริวารของทุกขลักษณะนะมรณะก็บริวารของอนิจจลักษณะอาหาเรปฏิกูลสัญญาสาภาวโลเกย์อนพิรตตาสัญญาก็คือทุกขลักษณะก็พิจารณาทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละว่ามันไม่เที่ยง ไม่ไม่ได้มีแต่ละอย่างมีความจีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรไม่มีเลยแม่แต่นิดเดียวนะก็เลยเรีอนิจจาสัญญานะตามเห็นถึงความไม่เที่ยงของทำทั้งหลายในภพภูมิทั้งปวงเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าไม่เที่ยงหมายว่าไม่มีการเกิดใดภพใดที่เที่ยงแม้แต่ภพเดียวไม่มีเนี่ยนะที่เที่ยงในภพเดียวไม่มีนี้รายละเอียดไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วก็ตายในทุกภพภูมิถ้าลงละเอียดย่อยย่อยยยมาอีกก็ไล่ไปตาม สมุทฐานนั้นๆเนี่ยนะ ท, ที่เกิดขึ้นแต่ละสมุทฐานก็ทั้งรูปและนามเนี่ยนะแต่ละปะจัจจัยผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรก็มีแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นแหละว่ามันเป็นเป็นทุกข์ทุกยังไงอะ่ะเพราะทั้งหมดนับเนื่องในทุกขทุกนับเนื่องในสังขารทุกนับเนื่องใน วิปริณามะทุกไม่มีพ้นทุกขลักษณะสามอย่างเลยใช่ไหมไม่เข้าทุกขก็วิปริณามะทุก์ไม่เข้าวิปริณามะทุกก็สังขาระทุกข์แล้วเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อย่างอื่นอีกทุกไหนทุกคือโสซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเนี่ยนะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นชัดอย่างหนึ่งหมาขาไปก็ร้องให้จังเลยนะเด็กนั่งข้างหน้าด้วย นั่งคนละเบาเขา้าเบาหน้า ม, มันก็ร้องให้ให้ดูหน้าดูเลยอะ่ะขากลับมาอีกนั้นหนักประเดิมอีกร้องอยู่ได้เป็นชั่วโมงกว่าเนยนะตัวจี้เดียวก็ขวบหนึ่งไม่มั้งโหมันร้องแล้วก็แม่ไม่รู้จะทายัางไงใช่ไหมพ่อมันก็ปลุกก็ปลอบมันนะมันไม่สนใจมันร้องอย่างเดียวอะ่ะนะร้องอยู่ชั่วโมงกว่านะพ่อพ่อก็กระสับกระส่ายมากเลยพ่อเป็นตาราง พุ่มลูกร้องให้ไปอันโสกะปริเทวะมันเล่นงานตั้งแต่ตัวนิดเดียวเลยนะีทุกกายเนี่ยเริ่มเล่นงานตั้งแต่อยู่ในคันนะใช่ไหมทุกกายนี่ก็เริ่มเล่นงานนะโทมานัทเนี่ยพอคลอดออกมาก็เริ่มเสียใจแล้วก็บอกว่าเด็กในคันก็รู้จักดีใจเสียใจเลยใช่ไหมก็ทุกโทมานัทก็เกิดตั้งแต่อยู่ในคันคลอดออกมานี่ก็เสียใจเนืองๆใช่ไหมพลาดพรากจากของรักก็ธรรมดาปกติพบสิ่งไม่เป็นที่พอใจนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะ รถติดดีไหมอย่างเงี้ยนะพอใจหรือเปล่ารถติดเอาไหมเอานะาไปติดอินเดียด้วยกี่วันนะคุณหมอเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงลโเลย <laughs> อยิบ้าชั่วโมงอ่ะนะรถติดนะนี่นะกรุงเทพก็ไม่เท่าไรเองอ่ะนะติดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะนะอินเดียเนี่ยติดไไกี่ก็สายสายไหนรู้ไหมสายไอ้พารณพุทธคยาพารณาสี บกรถรถสิบล้อเนี่ยเป็นหมื่นคันนะนะเป็นหมื่นคันก็ไม่มีทางเบี่ยงทางอะไรสักอย่างนะก็จอดกระจเรออยนูะ่นะั่นนะนะเป็นแถวก็นั่งคุยกันไปอย่านะยี่ห้อเดียวกันหมดนะนะวองว่างไปก็เห็นนอนแง่งแง่งข้างถนนนะนะมันก็เป็นอย่างนี้จริงมันเป็นทุกข์เนี่ยนะนะถ้ามีขันอันนี้แล้วนะก็ต้องมีทุกข์อันอื่นที่จะต้องมา มาบริหารติดตามมาด้วยใช่ไหมถ้าถ้ามีร่างกายอะชาติทุกชราทุกพยาธิทุกทีนี้ถ้าทุกอย่างอื่นนะมันก็เริ่มไปหันไปหาอย่างอื่นมาเพื่อจะบําบัดทุกใช่ไหมก็หันกล้อนกลับไปหาอาหารมาช่วยบ้างน่ะหาอาหารมาช่วยบําบัดทุกบ้างไปหาสิ่งอย่างอื่นที่ไม่เที่ยงมาช่วยบําบัดทุกก็ไปทุกกับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะทีแรกก็จะเอามาแก้ทุกนะอ้าวหนักกว่าเดิมจะทุกมากกว่าเดิมซะอีกนะ สมมตินะเหมือนก็เอออยู่คนเดียวงอเหงาไอหาเหงาหาเพื่อนมาดีกว่าไอเดือดร้อนกับเดิมอีกนไงไม่กลับไปวุ่นวายหนักกับเดิมอีกแทนที่จะสบายขึ้นไม่ใช่เลยนะทุกหนักกับเดิมอีกอย่างนี้อันนี้นะเออเหงามากอยู่บ้านเหงาไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าไปสตังหายอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะทุกข์กับเดิมอีกนะไม่เหงาอย่นี้เครียดเลยอ่ะนะพัสปอตไายใช่ไหยโอยนั่งไม่ติดที่เลยอ่ะหงุดหงิดกวนกวาย รู้อย่างนี้ใหม่มาดีกว่านะเจอแล้วรอบที่แล้วก็ว่าง น, นั่นแหละแต่ก็ไปต่อจนได้นะเอานะนั่นะั ก, ก็มทุกจริงๆอ่ะนะแล้วก็ไ่เห็นเห็นกะกะตาเลยอ่ะที่ชาวพิจิตเนี่ยไปซื้อของที่คอมเมนไปซื้อของคอมเนะเขซื้อคล้ายๆถ้าทางเหนือแล้วก็ที่อะไรนะ่ยแม่สาย ก็คือของต่างประเทศซื้อจะถูก่อยไนยะก็ไปั้นแต่หอบมาคันเบอร์อเลยรถสารพอหอบมาเนี่ยมาถึงแถวพนมสารคามอะก็สิบล้อมันสวนกันก็มาสอยเจ้านี้ร่วงเลยชั้นแถบบนเนี่ยรถร ถ, รถกระบะขั้นบนเนี่ยหายไปหมดเลยไนงะมันสมองเนี่ยตกไปเตียรกระจายอยู่เต็มถนนหมดนะเด็กคนหนึ่งโน่นมันโอ้โหนี้ตายไกลเ ย, น, ยน่่ยไนะ หลายเป็นสิเมตรเนี่ยนะตกนู่นไปตายอยู่นู่นนะนะแล้วก็ของไปถึงบอดีเลยนะมันสมองเนี่ยตกอยู่ข้างๆถนนนะเปลนเนี่ยขาวคลุ้งเต็มถนนไปหมดเนยนะนี้ไอคนที่เหลือมก็โอ้คนนั้นก็หายคนนี้ก็ตายเนี่ยนะก็ร้องไปโอ้เนี่ยนะไ อ, ไ อ, ไอทุกแบบนั้นเนี่ยแล้วก็กลางคืนด้วยเนะี่ยฝนตกด้วยนีก็ทุกทรมานไม่ใช่น้อยนะแค่แค่ปกตินะเราคิดถึงธรรมดาเนี่ย แค่รถเราไปเสียในที่ที่เราไม่รู้จักใครนะแค่นั้นก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมนี่ไปเจอญาตกิก็ตายรถก็เสียหมดทุกอย่างเลยนะอยู่คนเดียวด้วยนะกลางคืนด้วยมืดด้วยฝนตกด้วยโอ้โหเนี่ยนะจะทุกข์ทรมานัดขนาดไหนเนี่ยนะก็แต่ว่าในบรรดาทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะก็ใครถึงทุกถึงนางปตาจาราสักคนนั่งหรือ ย, ยังเนี่ยนะนะมีใครถึงไหมคุณฑพานไม่ถึงนะไม่ได้เครื่องนางปตาจ a ราเลย อันนั้ น, น, น, น, นทุกจนบ้าเลยอ่ะเพี้ยนเลยอ่ะหูพ่อเขาเาก็เข า, เข า, เข า, เขาร้องให้เขามีร้องเป็นกรอนของเขาเลยว่ า, าพ่ อ, อาสามีลูกก็ตายในระหว่างทางพ่อแม่พี่ชายก็เผาเชิงตะกรเดียวกันเขาก็มีคาถาเนี่ยไปที่ไหนก็ร้องอยู่เท่านี้แหละเนี่ยนะร้องไปก็ปะป ะ, ปะนี่ก็บวกอะจาระเนี่ยนะปะตัวนั้นหมายถึงตกไป อาจาระคือมันญาติตกไปเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าชื่อ่ะชื่อของคนมันญาติตกไปพอพอฟังว่าพ่อแม่ตายเท่านั้นนะผ้าก็หลุดหมดเลยลืมหมดทุกอย่างเลยก็ได้แต่ร้องไห้ก็เรียกปตาจาราเนี่ยนะปะตา ต, ตกหมดอาจาระมารยาทอะไรไม่เหลือแล้วเหลือแต่ร้องไห้อย่างเดียวเนี่ยนะบ้าเลยอะ่ะ <c oughs> คือก็หวังจะไปอยู่กับสามีใช่ไหมสามีก็ตายก็เหลือลูกมาก็เป็นชื่นใจหน่อยนะลูกก็ตาย ก็จะบายหน้าไปพึ่งพ่อพึ่งแม่เอาวพ่อแม่พี่ชายก็พึ่งเผาเนี่ยเผาควันกรุ่นอยู่นั่นแหละหมดกันเลยนะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบ้านนี้ก็ถูกฟ้าผ่าไฟน้ําท่วมมันะน้ำพัดฟ้าผ่าอะไรเรียบร้อยหมดเพราะนบ้านช่องห้องหอมไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเหลือตัวคนเดียวร้องให้แต่ว่าเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ร้องไปไม่นานก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีก็บายหน้าไปหาพระพุทธเจ้าพอดีนะพระ อ, องค์ก็รู้อยู่แล้วว่าพก็เข้ากับไปต้อนรับนางนะ ก็ฟังธรรมตอนหลังก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์เลยเป็นเอตัทคะในด้านวินัยทอนเป็นเป็นพระวินัยทอนทางภิษุนีที่เก่งพระวินัยมากที่สุดเนี่ยนะในในพระภิสุนีเนี่ยนะขนาดชาติสุดท้ายเนะี่ยังเดือดร้อนขนาดนั้นทีนี้ของเรายัางปฏิญาณไม่ได้ว่าชาติสุดท้ายเนี่ยจะร้อนขนาดไหนเนียนะก็ยังไงยังไงก็เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้บ้างนืง้เอาไว้เช็ดน้ําตาหรือเปล่า ไม่ใช่บุญอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นไงก็บาปไหนบ้างที่เราทําไม่ได้เอาในสังสารวัตรอันนี้เนี่ยมีบาปตัวไหนบัางที่ทําไม่ได้ต้องตั้งคําถามแบบนี้ดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยเราเราอยู่ในตระกูลชาวพุทธที่มีศาสนาแล้วหรอกถ้าไม่มีแล้วสิ่งที่เราได้ยินเนีเราพร้อมจะไปทําแบบนั้นได้ทุกอย่าง ที่คนอื่นเขาทําให้ดูให้รู้นะถ้ายังอยู่ในวัตฏะนะเราจะไปมีส่วนที่จะไปทําแบบนั้นได้ทุกเรื่องเนี่ยนะที่ที่เขาทํทาทํากันอยู่นะที่ข่าวข่าวขา ว, ขาวเสียหายเลวร้ายนะเราเคยทํามาหมดแล้วแล้วก็ถ้ายังตัดเยื่อใยในอุปาทานขันห้าไม่ได้ก็ยังทําอีกเนี่ยนะยังยังทำอีกเนี่ ย, นะ ย, ย, ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เราทำยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะ 1. ปเุเพกตปุญญาตาบางอย่างช่วยไว้กรยานามิตรเนี่ยนะมีผู้มีศีลเป็นต้นแนะนำไว้แล้วก็สัตธรรมสวนะโยนิสโสมนัสิการเนี่ยปัจจัยพวกนี้ทำให้ให้ยังทำกุศลอยู่ฉะนั้นปุตุชนเนี่ยถ้าถ้าหมดปัดจจัยเหล่านี้นหนึ่งไม่ได้ปฏิรูประเทศสองไม่มีกรยานามิตรสมไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีโยนิสโสมนสิการน ยังไงก็ไหลไปหาบาปจนได้ถ้าเชื้อคือราคายังอยู่บาปประกรรมทั้งหลายที่มีราคะเป็นสมุธฐานเนี่ยนะเป็นเหตุตัปัจจัยเนี่ยไม่มีอะที่เราจะทําไม่ได้มันมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดถ้าเรายังตัดราคาไม่ได้นะทิฏฐิเหล่านั้นพร้อมที่จะเกิดความชั่วทั้งหลายแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระหันทำโลหติตให้ห้อทาสังกเภทถ้ายังตัดโทสะไม่ได้ เชออันนั้นก็ยังทําได้เนี่ยนะแล้วก็บาปประกรรมไม่รู้กี่กี่เรื่องกี่เรื่องสรารพัดเรื่องเนี่ยนะที่ถ้ายังละฉันทระละบาปอากุศลไม่ได้ยังยึดถืออุปาทานขันอยู่ยังไงก็ไม่ไม่พ้นจากการทําบาปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้นี้จึงน่ากลัวอย่างมากเนี่ยนะก็ให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นสิ่งที่เป็น ทุกนี่ยนะย่อๆก็คืออะไรทุกกระทู้สังขารทุก์วิปรินามทุกขแล้วก็ถ้าเพิ่มไปกว่านั้นก็ชาติที่ทุกชราทุกพยาทีทุกมรณะทุกขโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตทุกขทีนี้ถ้าไอ้ทุกนี่เรียกว่าพูดแบบรวมๆเนีทีนี้ถ้าเราเรารู้จักแต่ละคนเนี่ยนะชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กจนจนจนมรณะเนี่ยนะจากเด็กไปจนถึงตายจากเด็กจนถึงตายเนี่ย ถ้าเราไปรู้รายละเอียดของชีวิตของทุกคนทุกคนทุกคนเลยนยะถามว่าวัตะจะน่าเพลิดเพลินขนาดไหนสมมติว่าอา้าวภาระของคนนี้ถ้าเราต้องไปรับภาระอันนั้นหมดนะไปเจอภาระอีกคนหนึ่งเราก็ต้องไปรับภาระแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยถามว่าน่าเพลิดเพลินไหมเวลาวันขันเดียวก็เต็มทีเลยนะแต่นะนะแต่ว่าถ้าเชื้อแห่งวัตตะยังละไม่ได้ พ ร, พร้อมที่จะไปรับภาระเหล่านั้นเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะไปรับภาระนะเท่ากับว่าพร้อมที่จะไปสร้างภาระอีกเหมือนกันเพราะการรับภาระกับสร้างภาระมันอยู่อยู่ใกล้ๆกันเน่นะพอรับภาระคือขันปั๊บอาศัยขันนี่แหละทาภาระอันใหม่เป็นเป็นความจริงของปุถุชนเ น, นี่ยนะก็ยึดถือแต่ภาระเนี่ยนะแล้วก็สแสวงหาภาระไปเรื่อยเนี่ยนะไม่ค่อยเบื่อหน่ายใน ภาระคือของหนักนะนะโดยเฉพาะขันท่าเนี่ยนะนะก็ยังหวังที่จะไปเห็นหวังที่จะไปได้ยินหวังที่จะไปรู้กลิ่นหวังจะไปชิมหวังจะไปพักผ่อนหวังสรารพัดก็หวังอะไรพ้นขันท่าไหมไม่พ้นน่ยนะนะก็สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็สิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยใครมีอํานาจให้เที่ยงอยู่บ้างได้ไหมใครมีอํานาจที่แท้จริงว่าขอไอ้ ท, ที่ที่เกิดแล้วขอจงตั้งอยู่อย่าเสียไปพูดเอ๋นะ ขอให้มันตั้งอยู่แบบนั้นแหละมั่นคงถาวร น, นิรันดร์มียอำนาจนั่งไหมไม่ได้ไม่คนะ่ยมีใค ร, ม, ใค ร, ม, ใครมีอํานาจในในสิ่งที่เช่นอสุภะเนี่ยก็ไม่มีใครมีอํานาจไปทําให้สุภะได้จริงเนี่ยนะที่ตายแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจทําให้อมตะได้จริงอาหารเนี่ยมีใครทําให้สะอาดได้บ้างจริงๆริงอ่ะนะถ่ายมูลออกมาเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นทองเลยนะไม่ใช่ แล้วก็ทาโลกให้มันน่าเพลิดเพลินได้จริงๆเนี่ยใครทําได้บ้างอ่ะก็ทําไม่ได้อยู่แล้วทําให้เที่ยงก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เป็นสุขก็ทําไม่ได้แั้นก็เมื่อไม่มีอำนาจสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปอย่างนี้แหละถามว่ามันเป็นใครแล้วก็เป็นของใครเนี่ยนะเสร็จแล้วตอนท้ายพระอง์ก็บอกละมันเถ อ, อนนะนะประหาหนาสัญญานะคิดจะละคิดจะปล่อยคิดจะวางเถอะพอแล้ววางกันเนี่ย อย่าไปแบกทุกข์เอาอีกเลยเนี่ยนะละ ถ, ะถะ้าเธอเนี่ยนะคือที่พูดไปทั้งหมดก็บอกว่าตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสเธอเพราะว่าผู้ที่ยังมีฉั้นทราคาในสิ่งเหล่านี้อยู่มันเป็นทุกข์เดี๋ยนะมันเป็นทุกข์เพินให้ประ h านะนะหมายถึงการเข้าไปตัดฉันทราคาตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็วิราคาราคานี้แปลว่าความกำหนัดความยึดถือเดียนะวิตัวนั้นก็ปฏิเสธ บอย่ายึดถือเลยอย่าเอาเลยอย่ากำหนัดเลยอย่าพอใจเลยอย่าติดอย่าคล้องเห็นไหมแต่ขนาดนั้นก็ฟังก็เออเห็นด้วยนะแต่ว่ายังทําตามไม่ได้ใช่ไหมก็กแสดงว่าได้อุปนิสัยแล้วนะเห็นด้วยเออทละได้เนี่ยดีจริงๆริงเห็นพะพอถือว่าผู้ที่ตัดฉันทราคะในขันได้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดความโศกก็ย่อมเกิดจากความรักใช่ไหมเกิดจากชั้นทราคะที่ไปติดในสิ่งเหล่านั้นถ้าตัดฉันทราคะได้ ความโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่มีนั้นก็บอกว่าละตันหาได้เป็นสุขที่สุดเนี่ยนะเนี่ยนะผู้ที่ชนะตันหาจริงๆได้เนี่ยนะคือคนที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นก็อยู่ที่ว่าทำยังไงที่จะตัดฉันทราคะได้ถ้าตัดไม่ได้นะกลับไปข้อหนึ่งใหม่นนวนอย่างนี้สักพันวันรับสามพันรอบก็ได้คุณวินาวัน วันวนละวันละสามพันรอบนะสามพันรอบคูณเก้าก็เยอะเหมือนกันนะถ้าบอกอมันก็ยังดีนะยการนั้นขอเราของเราก็กลับไปเจริญข้อหนึ่งใหม่มันอสุภะนะมันตายเป็นนะมันปฏิกูลนะมันไม่น่ายินดีจริงๆนะมันไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นอนนาตาด้วยละมันซะเธอก็ยังละไม่ได้กลับไปใหม่อีกนะนะเอามาว่าอาศัยเขาละเขาละอะไร ถึงคุณไม่ละนะเขาก็ไม่อยู่กับคุณหรอกเชื่อเหรอเขาคือใครเขาคือใครเขาบอกว่าในโลกเนี่นะถ้าคุณไม่ละเขาเขาก็ละคุณเองอะไรวัตถุในโลกนะเอาอะเราไม่ละเขาเขาก็ละเรานี่อยู่สองอย่างในน่ะโอ้ยละไปตั้งเยอะแล้วโอ้ยแต่ละปีแต่ละปีก็ละมานะจริงคุณก็ลอกคราบไปด้วยเลยนะละตัวเองไปเรื่อยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะ ไม่ใช่ตัวเก่าแล้วนะไปดูเมื่อสามสิบปีที่แล้วติรูปเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่นะถ้าให้เด็กๆมาดูนี่นี่ใครนี่ใครอง น, นะเด็กสงสัยจะพูดักเสียเลยนะอ๋ออ๋อละไปเยอะแล้วนะอ๋อดีละดีแล้วเหลือตัวเดียวนะเดี๋ยวนานๆเข้าก็เหลือตัวเดียวอีกนานๆเข้าไม่มีเหลือ อีกห้าสิบปีไปดูไม่มีเหลือแม้แต่ตัวเลยเห่นไหมมีเหลือเห็นไหมอืมอ้าวละลึกไว้สัญญาก็ละลึกวันละกี่นาทีเช่อใช่ไมก็ความจําทั้งหลายนะวันหนึ่งนะคุณเอาชีวิตมาทบทวนวันละกี่รอบนี่วันหนึ่งดีไม่ดีไม่อยากคิดด้วยซ้าไปนะเพราะฉะนั้นเนอเยอะเหนไถ้าไปตามระลึกหมดนะสิ่งที่เราละลึกไปมันก็ไม่ได้มีสาระด้วยนะ เลิกไปแล้วเลิกมาโอ้เนี่ยนะเราก็นึกถึงความฝันอยู่ตลอดเลยนึกถึงแต่ฝันเนี่ยนะเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้สมัยนั้นเขาเรียกนางสาวอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะไปที่นี่นะอาจจะว่าในบัตรอาจจะเรียกนางสาวแต่ว่าจริงๆแล้วก็เห็นเขาไม่เรียกอย่างนั้นหรอกเรียกเชิญค่าคุณยายทางนี้ข่าะรเงี้ยก็เอาละอือใช่เนี่ย ก็ยังลักชื่อไว้ไงชื่อนี่ก็ไม่รู้เปลี่ยนไปกี่ชื่อแล้วก็ไม่รู้เชื่อของเราชื่อเดียวนะคนอื่นก็ไปใช้ซ้ําไม่รู้กี่เจ้าแล้วบางคนนี่ก็ชื่อโลมากเลยนะไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ชื่อนั้นหน่ยของมาในชื่อโลมากเลยที่ไหนก็ชื่อแบบนี้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนีโลมากเลยไปที่ไหนก็มีแต่ชื่อแบบนั้นเลยของโหลเลยอ ของโหลเนี่ยโลหนึ่งแปลว่าสิบสองใช่ไหมปริมาณมันมากแล้วเขานับเขานับเป็นพวกเขาไม่นับเป็นตัวแล้วนับเป็นโลโลนับเป็นทีละสิบสองทีละสิบสองอนน้อันนี้นเดี๋ยวพักนิดหนึ่งก่อนพูดถึงธรรมะที่ควรรู้ยิ่งบ้างเนอะอนุปภาพวิหารเก้าวิหารนี้แปลว่าเครื่องอยู่หรือที่อยู่เนี่ยนะเครื่องอยู่หรือที่อยู่มีเก้าอย่าง นนอนุปภาพวิหารเนี่ยนะแปลว่าเครื่องอยู่ตามลำดับเนี่ยคือเรียกว่าถ้าจะอยู่ชั้นสูงเนี่ยต้องผ่านลำดับชั้นล่างๆขึ้นไปก่อนงั้ น, นหรือสามารถอยู่ตามลำดับแต่ผู้ที่ชนานาญก็เขาก็เข้าสลับได้นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเขาจะค่อยๆเข้าไปตามลำดับเพราะว่าอนุปภาพวิหารสมาบัติ9้าวนี้หมายถึงจบที่ไหนจบที่นิโรสมาบาัติ ถ้าจะจบที่นิโรธสมาบัติเนี่ยนะการเข้าจะต้องเข้าโดยลำดับแบบนี้ถ้าถ้าถ้าจบที่เนวสัญญาณาสัญญายาตนะเนี่ยนะื <c oughs> อเ <c oughs> งื่อนไขของการจะเข้านิโรเข้า <c oughs> <c oughs> พระสมาบัติอขอไปเข้านิโรสมาบัติเป็น ยังเข้าปฐมฌานก่อนนะท่า น, นแรกก่อนก็เข้าปฐมฌานเงี้ยนะแต่จริงก่อนที่จะเข้าฌานก็ต้องอุปจาระสมาธิใช่ไหมอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะที่เรณาปฐมฌานนั่นแหละว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะโดยไตรลักษณ์เสร็จแล้วก็ออกจากวิปัสสนาก็เข้าฌานอีกเป็นทุติยฌานแล้วก็เจริญวิปัสนาเนี่ยนะเข้าตาติยฌานออกจากตาติยฌานแล้วเจริญวิปัสนาคือพิจารณาฌานพร้อมทั้งองค์ฌานไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะ บอกว่าผู้ที่น้อมไปที่จะเจริญสมาธิอย่างเดียวจะเข้าฌานสมาบัติสมมติถ้าเจริญแต่ฝั่งนี้อย่างเดียวนจะเข้าฌานสมาบัติฝั่งนี้ถ้าเจริญแต่วิปัสนาอย่างเดียวจะเข้าภะสมาบัติถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ่งนะสมมติว่าเน้นหนักแต่สมาธิอย่างเดียวจบที่ฌานสมาบัติ าเน้นวิปัสสนาอย่างเดียวจบที่พระสมาบัติทีนี้ในในสองอย่างเนี่ยทั้งสมถาวิปัสสนาต้องสมดุลกันพอดีกันเนี่ยนะปรับให้มันมันอย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งหนักเกินไป